ตอนที่หรักษากายฟื้นฟูใจวันหนึ่งป้าชวนน้องโยซึ่งเป็นหลานชายวัยเจ็ดขวบซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์เข้าไปในเมืองแต่ระหว่างทางเกิดอุบัติเหตุมีรถเข้ามาพุ่งชนปรากฏว่าป้าแขนหักส่วนน้องโยขาเละไปข้างหนึ่งทั้งสองถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนคลปรปฐมอย่างเร่งด่วนเมื่อมาถึงห้องผ่าตัด หมอสังเกตว่าน้องโยเงียบสนิทขณะที่ป้าร้องโอดโอยอยู่ใกล้ๆหลังจากผ่าตัดเสร็จหมอจึงถามน้องโย ว, ว่าทำไมไม่ร้องเลยน้องโยตอบสั้นๆว่าผมกลัวป้าเสียใจครับนงป่วยเป็นโรคพุ่มพวงไตาวายเพราะแพ้ภูมิคุ้มกันของตัวเองตั้งแต่อายุ12ขวบ เธอมีประสบการณ์ไม่ดีกับการรักษาคือถูกเจาะไขสันหลังแล้วรู้สึกเจ็บมากจึงเกลียดหมอและกลัวเข็มฉีดยาเป็นที่สุดทุกครั้งที่ไปโรงพยาบาลเธอจะด่าหมอแล้วร้องกรี๊ดจนชักหลายครั้งก็เกรงจนหมดสติไปแต่ต่อมาเธอได้รู้จักหมอที่เข้าใจปัญหาของเธอหมอให้เธอเล่าถึงความรู้สึกของเธอเช่นโกรธใครบ้าง เครียดเรื่องอะไรบางทีหมอก็แนะให้เธอเขียนเล่าฝันร้ายของเธอให้หมออ่านไม่นานความเครียดของเธอก็ลดลงเมื่อเธอโตขึ้นหมอก็แนะนำให้เธอเดินจงกรมอย่างมีสติแล้วชวนเธอไปเข้าคอสกรรมาฐานหลังจากนั้นเธอก็ไม่กลัวเข็มฉีดยาอีกเลยเวลาฟอกไตเธอจะนิ่งมากจ้องมองเข็ม กำหนดลมหายใจแล้วก็หลับไปวันที่เธอผ่าตัดเปลี่ยนไตเธอแพ้ยาแก้ปวดจนอาเจียนแผละระบมหมอไม่รู้จะแก้ปัญหาอย่างไรแต่เธอบอกว่าขอพาราเม็ดเดียวพอกินเสร็จเธอก็กำหนดลมหายใจเข้าออกจนหลับไปไม่ส่งเสียงร้องเจ็บเลยแม้แต่น้อยจนหมอแปลกใจมาก น้องโยกับนงเป็นตัวอย่างของคนไข้ที่ถูกความทุกข์ทางกายบีบคั้นอย่างรุนแรงแต่ก็สามารถรเผชิญกับทุกขเวทนาดังกล่าวได้อย่างนิ่งสงบเป็นที่น่าอัศจรรย์ทั้งสองไม่ได้สงบด้วยยาแต่สงบเพราะใจเป็นสําคัญคนหนึ่งไม่ปริปากร้องเพราะเป็นห่วงป้าไม่อยากให้ป้าทุกข์มากกว่านี้อีกคนหนึ่งนิ่งได้เพราะอาศัยสติและสมาธิ แม้ว่าการวางใจของทั้งสองคนจะต่างกันแต่ก็แสดงให้เห็นว่าจิตใจนั้นมีพลังมหาศาลสามารถช่วยให้คนเราทนสิ่งที่ทนได้ยากและทําสิ่งที่ทําได้ยากในการเยียวยารักษาพยาบาลใจมักจะถูกมองข้ามไปอย่างน่าเสียดายสิ่งที่ได้รับความสําคัญมากกว่าคือยาอุปกรณ์การแพทย์ หมอพยาบาลรวมถึงระเบียบข้อบังคับของสถานพยาบาลแม้ว่าในระยะหลังจะให้ความสำคัญกับบทบาทของคนไข้ามากขึ้นแต่ก็มักเน้นบทบาทในส่วนที่เป็นพฤติกรรมทางกายภาพเช่นการกินการออกกำลังกายในขณะที่จิตใจของคนไข้ไม่ได้รับการเยียวยาฟื้นฟูหรือกระตุ้นเพื่อหนุนเสริมร่างกายให้กลับมาเป็นปกติ หรืออย่างน้อยก็ให้สามารถอยู่กับความทุกข์ทางกายได้กล่าวอีกนายหนึ่งทำให้ทุกขเวทนาไม่ลุกลามไปเป็นความทุกขทรมานกายกับใจนั้นสัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ออกบุคลากรทางสาธารณสุขจึงไม่ควรละเลยมิติด้านจิตใจแม้ว่างานที่ทำนั้นจะวัดความสำเร็จกันที่สุขภาพกายก็ตามนั่นหมายความว่า เมื่อเขามาหาเราเพราะความเจ็บปวดในการวินิจฉัยก็ควรมองให้ครอบคลุมถึงสภาพจิตใจของเขาด้วยว่ามีส่วนทำให้ร่างกายของเขาเจ็บปวดด้วยหรือไม่หรือว่าแท้จริงแล้วกายไม่ได้มีอะไรผิดปกติเลยแต่เป็นความเจ็บป่วย ด, ด้วยสาเหตุทางใจล้วนๆแม้จะแสดงออกมาที่กายก็ตาม ในทำนองเดียวกันเมื่อจะเยียวยารักษาเขานอกจากการฟื้นฟรูร่างกายด้วยยาหรือเทคโนโลยีทางการแพทย์แล้วควรส่งเสริมให้เขาวางใจอย่างถูกต้องหรือเสริมสร้างพลังใจให้มาช่วยกายในการต่อสู้กับความเจ็บป่วยหรืออยู่กับความเจ็บป่วยได้อย่างไม่ทุกข์ทรมานแต่เท่านี้ยังไม่น่าจะพอเพราะเป็นการทางานแบบตั้งรับในสถานพยาบาล ในการออกไปทำงานกับชุมชนนอกจากการส่งเสริมสุขภาพกายแล้วบุคลากรทางสาธารณาสุขควรร่วมกับชุมชนในการส่งเสริมสุขภาพใจของชาวบ้านตรงจุดนี้เองที่ความสัมพันธ์ภายในชุมชนตลอดจนวัฒนธรรมและประเพณีมีบทบาทสำคัญเพราะความสัมพันธ์ที่ราบรื่นกลมเกลียวย่อมช่วยให้ชุมชนมีสุขภาพจิตดี มีความแช่มชื่นเบิกบานความสัมพันธ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ส่วนหนึ่งก็ต้องอาศัยวัฒนธรรมและประเพณีที่มีอยู่แล้วในชุมชนทั้งส่วนที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมการส่งเสริมสุขภาพใจไม่จำเป็นต้องแยกออกจากการส่งเสริมสุขภาพกายของชุมชนถึงแม้จะรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกไข้ฉี่หนูหรือโรคเอชท หากทำโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนและอาศัยกระบวนการกลุ่มโดยอาจอิงวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นไปด้วยก็จะสามารถส่งเสริมสุขภาพจิตของชุมชนไปได้พร้อมๆกันวิธีการดังกล่าวแม้ใช้เวลามากกว่าการส่งคนมาบรรยายให้ชาวบ้านฟังที่ศาลากลางบ้านแบบม้วนเดียวจบแต่ผลที่ได้จะยั่งยืนกว่า และให้ผลไม่เฉพาะสุขภาพกายเท่านั้นแต่ยังรวมถึงสุขภาพใจของชุมชนด้วยเพราะทําให้ชุมชนมีความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นและกลมเกลียวกันมากขึ้นที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเรื่องมิติทางจิตใจของชาวบ้านหรือผู้ป่วยแต่ก็อย่าลืมว่ามิติทางจิตใจของบุคลากรสาธารณสุขก็สาคัญ ในการทำงานไม่ว่าที่สถานพยาบาลหรือในชุมชนเราต้องเรียนรู้ที่จะฟื้นฟูหรือหล่อเลี้ยงจิตใจของตนให้มีพลังและดามพลังนั้นมนุนเสริมการทำงานให้เป็นไปได้อย่างยั่งยืนใจที่รักษาไว้ดีสามารถช่วยให้ผู้ป่วยเอาชนะทุกขเวทนาได้ฉันใด จิตที่วางไว้อย่างถูกต้องย่อมช่วยให้เราเอาชนะความเครียดและเหนื่อยล้าได้ฉันนั้นจะว่าไปแล้วบ่อยครั้งความทุกข์ของบุคลากรสาธารณสุขไม่ใช่ความทุกข์กายแต่เป็นความทุกข์ใจเช่นท้อแท้มองไม่เห็นความสำเร็จเหนื่อยหน่ายผู้บังคับบัญชาน้อยใจที่ถูกตาหนิอยู่เสมอไม่มีใครมองเห็นความดี ความทุกใจดังกล่าวอาจบั่นทอนตัวเองยิ่งกว่าความเหนื่อยล้าจากการทำงานด้วยซ้ำการนึกถึงคนอื่นมากกว่าตัวเองอย่างน้องโยอาจช่วยให้เราอดทนได้มากขึ้นการรักษาใจด้วยสติหรือมีสมาธิตั้งมั่นอย่างนงสามารถช่วยให้เราสงบเย็นได้แม้อุปสรรคจะรุมเรา้า กรณีทั้งสองยังชี้ให้เห็นด้วยว่าคนไข้าสามารถเป็นครูสอนใจให้แกเราได้เป็นอย่างดีการรักษาพยาบาลจึงเป็นกระบวนการที่ทั้งสองฝ่ายสามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ไม่ใช่คนไข้เท่านั้นที่เป็นฝ่ายได้รับความช่วยเหลือจากเราเราสามารถได้กำลังใจและบทเรียนสอนใจอันล้ำค่าจากคนไข้ หากว่าเราเปิดใจที่จะเรียนรู้อยู่เสมอจะทำเช่นนั้นได้เราต้องมีความใส่ใจในตัวเขาฟังเขาอย่างตั้งใจรับรู้ไม่ใช่แค่ความคิดแต่รวมถึงอารมณ์ความรู้สึกของเขาไม่ปฏิบัติกับเขาดังกลไกลหรือทำตามความเคยชินโดยอัตโนมัติการเปิดใจรับฟังเขาอย่างมีสติจะช่วยให้เราเห็นเขาในฐานะมนุษย์มากขึ้น คือมนุษย์ที่มีชีวิตจิตใจมีความรู้สึกมีครอบครัวคนรักที่เขาผูกพันมีความฝ่ายฝันมีทั้งสุขและทุกข์ทั้งหมดนี้ในที่สุดจะช่วยหล่อเลี้ยงและรักษาความเป็นมนุษย์ของเราเอาไว้ไม่ให้กลายเป็นเครื่องจักรที่ไร้อารมณ์และหากเราหันมาฟื้นฟูใจของตนเองให้มีพลัง ดูแลรักษาจิตไม่ให้พลังหลงไปกับอารมณ์ที่มารุมเรา้ารู้จักปล่อยวางอดีตและอนาคตไม่เพียงเราจะมีพลังในการทำงานมากขึ้นเท่านั้นหากความเป็นมนุษย์ของเราก็จะรุ่มรวยลุ่มลึกมากขึ้นสามารถเข้าถึงต้นทานแห่งความสุขภายในและนำมาหล่อเลี้ยงชีวิตได้อย่างต่อเนื่อง การเยียวยารักษากายที่ครอบคลุมไปถึงการฟื้นฟูใจของผู้คนใช่ว่าจะบั่นทอนกำลังของเราก็หาไม่หากวางใจอย่างถูกต้องก็สามารถส่งผลย้อนกลับมาหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณของเราและพัฒนาความเป็นมนุษย์ของเราให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปพร้อมกัน